พระธรรมเทศนาแผ่นที่107ดลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่10กันยายน2560มีชื่อเรื่องว่าเอาศีลเป็นผู้พิพากษาโอ้เนี่ยแล้วลูกหลานทันคณนะ พิภาคสาสารอุทธรมาจากกรุงเทพนะ น, นะพวกเราได้เห็นพวกท่านอยู่ในกรุงเทพมีแต่สารเบื้องต้นสารอุทธรสารดีกาสารดีกาแปลว่าสารสูงสุดสารอุทธรแปลว่าพิจารณาอีกรอบสองใช่ไหมสารเบื้องต้นก็คือสารจังหวัดของเรา ศาลจังหวัดพิจารณาคดีแล้วทั้งผู้ทั้งทั้งสองฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่พอใจก็ขอเคลื่อนไปถูสารอุทธรสารอุทธร์กันไปพิจารณาอีกทีท่วนสืบพยานทั้งสองฝักสองฝ่าย เ, าเสร็จแล้วตัดสินพอตัดสินใจเสร็จแล้วยังไม่พอใจ ขึ้นไปศาลฎีกาขอให้ศาลฎีกาพอถึงครบศาลฎีกาเสร็จแล้วเขาศาลฎีกาตัดสินแปลว่าจบนะแปลว่าสิ้นสุดในคดีความในเรื่องนั้นๆอันเด้พวกเราได้นได้มาเห็นคณะท่านกลุม่มศาลที่ท่านมาทัศนศึกษามาประชุมนะสัมพนาอุรอนะ สรุปแล้วก็คือแต่ละปีแต่ละนั่งก็พัฒเปลี่ยนเปลี่ยนกลุ่มไปเรื่อยอเพื่อจะได้ไปชุมหาลือในต่างหัวเมืองอันนี้ก็ฝ่ายนี้คือฝ่ายพระสง์นํามาจากอำเภอเพ่อไรรัตนาวาปีติดติดฝัด่งแม่น้ำโขงจังหวัดนคงบายเหมือนกันจังหวัดนครบัยแลก็สัตยาญาติโยม รัตนาวาปีเฝ้าไร่คือตามประเพณีในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาอย่างเนี้ยตั้งเทศกาลเข้าพรรษาต้องไหว้พระสงฆ์ไหายคณะสัตยาญาติโยมจะมากาบคารวะตามประเพณีในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาอเล็กว่าทรรวัดธรรมวัดไม่ใช่ทรรวัดเช้าธรรมวัดเย็นนะธรวัดคารวะมดุดมุดน้ํำดำหัว ก็มีขันดอกไม้ตามประเพณเีที่ถือว่าผู้บาจาที่มีอายุพรรษาที่มีภรรษาสูงพรนษามากแล้วก็เป็นที่เคารพในท้องถิ่นรี่หวาเคารพในกลุ่มผ้าสงกลุ่มนั้นในนั้นปีนึ่งก็พาคณะสัทยญาญาติโยมไปไปกราบคารวะแ้ว อาจาริเยประมาเทนะแปลว่าอายุพรรษายังไม่มากเท่าไหร่แล้วก็เทเรประมาเทนะที่ว่าท่านเทเทระถ้าเป็นหลวงปู่หลวงตาพระผู้ใหญ่ผู้พระผู้เฒ่าอายุพรรษามากอย่างหลวงตามหาบัวหรือว่าเจา้าคุณพระอุโรมญาณโมรีอย่างนี้ที่มันท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วก็กล่าวว่าเลิศหลวงปู่ลีทำผ้าแดก แล้วก็กล่าวว่ามหาเทเรประมาเทนะวกข้าไปเจ้าทั้งหลายได้ประม า, าทพลาดพังพระมหาเถระหรือท่านเถระหรืออาจารย์ด้วยกายวายใจยใจตั้งต่อนาและลับหลังพวกกระผมขอกราบคารวะขอโปรดครูบาอาจารย์โปรดอโพระีกรรมให้พวกข้าไปเจ้าพวกกระผมด้วยพวกข้าไปเจ้า ก็ผมจะได้จ่ำรวมระวังต่อไปอันนี้คือคือแปลความหมายคือว่ามหาทเทเรปมาเทนะทะวารและแตเยนะักต่างสับพังอ ป, ปลาทางังขามทุโนพันเตทตนี่นเมื่อท่านพระเถระได้รับขมาแล้วท่านก็บอกอ้าวหมอะกาบลงแล้วก็กต่ท่านก็ให้สินให้พรเบื้องตน้นเออพวกท่านทั้งหลายในประมาทผาดพัง ผมโดยกายวายใจใจผมยิน ด, ดีโอโหสิกรรมให้กับพวกเราท่านทั้งหลายขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจงประสบความสุขความเจริญท่านก็พูดเป็นภาษาบาลีอหังขา ม, ามิตุมเมีพิเมขา ม, ามิตับบังอันนี้ก็คือการเก่าคําคารวะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาต่ออกพรรษาละครไม่ได้ค่อยทําเว้นเสียแต่ว่ามีปัญหาอะไรหรือว่าท่านป่วยอาการหนัก ก็บอกคงไม่หลอดละข่าวนี่สิทธิ์ญาณุสิทธิ์ทั้งหลายก็ไปพร้อมกันแล้วก็ไปกล่าวคำคารวะก่อนที่ท่านจะจากไปอันนี้นว่า เ, เทเลหรือมหาเทเลประมาเทนะเพื่อท่านไปโปรดโหสิกรรมก่อนที่ท่านจะจากไปอันนี้ก็คือการกล่าวคารวะพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่คณะสิทธิ์ญาณุสิทธิ์เคยปฏิบัติกันมา แต่ถ้าว่าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี่ถือเป็นประเพณีของพระกรรมฐานจากอำเภอรัตนาวาปีหนองคายจากนี้ไปกเกือบ200กิโลเป็นกรไกลอยู่ที่ได้มาแล้วก็ไปมาไปหลายวัดมาแต่ละครั้งเขา ก, กะไว้ในในระนาบ ม, มีวัดไหนบ้างที่เป็นกูบายา์พระเทระเขากะกะกั สรุปแล้วก็คือเป็นการทัดนะศึกษาไกลๆแต่ว่าพวกเราอยู่กับที่ประจำที่ไม่ได้ไปที่ไหนเลยเก็อยู่เหมือนกับกบอยู่ในกะลาไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เห็นวัดต่างๆครูบาอาจารย์ต่างๆแต่ถ้าว่าพวพาพวกคณะศรัทธา ญ, ญาติโยมไปก็ไปเห็นเออพวัดของท่านท่านพัฒนาอย่างไร ท่านผูดท่านเทศนาหรือท่านบอกกล่าวแนะนาสั่งสอนอย่างไรพวกคณะศรัทธาญาจโยมก็ได้จะได้เรียนรู้อีกส่วนหนึ่งแล้วก็พระสองฆ์องค์เจ้าที่มาก็ได้รับคําแนะนากกําจากครูบาอาจารย์อีกส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นการทัศนศึกษาของศรัทธาญาติโยมตลอดถึงพระสงฆ์ที่มาไปวัดต่างๆ พอไปเห็นแล้วเออขนาดกกน้าแป๊บน้าที่ท่านวางตั้งอย่างไงเราไปเห็นโอ้ท่านตั้งอย่างนี้นะ อ, อน่าจะเอาไปใช้ที่วัดของเราเลยเราก็ทำทำได้แต่เราไม่เคยเห็นที่ไหนเลย เ, ออเราก็ไม่สามารถที่จะทาได้แต่ที่ยังไงก็ตามที่มาถึงวัดของอาตมาภาพอาตมาภาพไม่มีเหรียญแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะแจก โดยมากมีจะแจก mp3 อาแล้วก็หนังสือ mp3 ให้กับคณะพาลูกพาหลานทั้งหลายเอาไปฟังดูนะลูกหลานนะไม่มีอะไรที่จะดียิ่ยงกว่าให้ธรรมะให้ธรรมะคือให้แนวความคิดถ้าหาว่าลูกหลานได้ศึกษาณาธาในธรรมะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วนะลูกหลานจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติ ปรับปงกายว่าใจายใจของตนอันนั้นก็จะเลิศเออมื่อได้ไดรับการรับการอบรมได้รับการศึกษาแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อเองก็ได้เ อ, อ MP 3ขององค์หลวงตามหาบูวทั้งหมดที่ท่านเทศนาว่าการต่างกลมต่างวาระออตั้งแต่นู่นตั้งแตเออ่เป็นได้ร้อยแผน่น ที่หลวงตาเทศอบรมตั้งแต่ปี0405ตี่ที่อาตมาภาพเข้าไปอยู่กับองค์หลวงตาเนี่ยตั้งแต่ปี 2,212 ิที่ท่านไปสร้างวัดป่าบ้านตาันี่รยาสิดเที่วัดป่าบ้านตากนะที่ท่านอบรมมากัตั้งแต่ปี05ที่มีเครื่องเทปนะมีเทปซีดีอัด ที่วัดป่าบ้านตาเจ้าท่านสมัยกว่าเพื่อนคือมีพระพระฝรังเข้าไปอยู่กับท่านคือท่านปัญญาวุฒโภกท่านพระอาจารย์เชอรี่เป็นชาวอเมริกันและก็บชาวอังกฤษท่านก็ได้ติดต่อซื้อเครื่องนี่แหละเอ็มเครื่องอัดเทปเ ม, มาจากเยอรมันชื่อกรุ่นเด็กถ้าหลวงพ่อจำไม่ผิดนะเครื่องอัดเทปตัวนตัวบา้าใหญ่ ดังนั้นเวลาหลงตาแสดงทำที่ไหนถ้าก็ อ, อัดอัดอัดอัดเทพนั่นแหละก็ยังมีเทศนาของหลงตาตั้งแต่รุ่มเริ่มตั้งแต่ปี04มาแต่พอมาถึง2518 12 13นนในช่วงนั้นอเมริกันกับเวียดนามทะเลาะกันก็มาตั้งฐานทัพที่อุดร อ, อัดไม่ได้เลยเครื่องค่ะทำไมนะเพราะเครื่องบินไอพ่น ตัวบักใหญ่ทั้งแม่ทั้งลูกเป็นฝูงเลยบินสมัยนั้นขนาดไขไขอยู่เมืองอุดอรล้วนหมดเลยล้วนหมดเลยมันไม่มีลูกเลยใครครับมันขครื่องกระเถิอนอย่างแรงขนาดนั้นสมัยนั้นอาตมาอยู่ในเหตุการณ์นะนพอมาอยู่ปี 2,512 จนถึง 2,516-17 เจเนี่ยท่านเครือรรดิษปาหมดก็เลย ต่อต้านว่าไม่ตั้งฐานทัพยอยู่ที่เมืองไทยไปฆ่าคนอื่นมันไม่น่าจะถูกต้องก็เลยขอ่อเมริกันก็เลยได้ถอนฐานทัพในช่วงปี 218-219 ในช่วงนั้นตออมา2522ลงตาจะในเทศนาว่าการอีกยังมีการเทศของลงตาอันนี้ก็คือธรรมเทศนาที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนะนะ่ะเหตุการณ์ แต่สำหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็ได้พู ด, พดธรรมะใน MP3 พพูดแบบธรรมะแบบพื้นๆเปืองเป็นนิทานบ้างเป็นชาดกบ้างให้กับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะเด็กในรุ่นนี้เด็กในสมัยนี้คนในยุคสมัยนี้รู้สึกว่าใจร้อนหลวงพ่อก็เลย เทศแบบไม่ยาวเท่าไหร่แต่ของลงตาเนี่ยทศแต่รัด ก, กั น, เ, นเป็นชั่วโมงนะแต่แตมาภาพเทศเนี่ยโดยมากถ้าไปเทศในงานใหญ่เรียกว่างานอบรมพระไม่มีกิจโทระอะไรหลวงพอเ อ, อพูดยาวอยู่เพราะชี้แจงในหลักและเหตุและผลสำหรับผู้ปฏิบัติเราจะไปพูดสั้นก็ไม่ได้พอกาวถึงเรื่องศีลบ้างต่อมาก็มาพูดเรื่องสมาธิและจากนั้นก็พูดเรื่องปัญญา ที่จะตัดกิเลสภายในใจเนี่ยจะทำยังไงเ่กิเลสราคะโทสะโมหะจะวิธีการตัดยังไงเท่าสมัท t และวิปัชนาอันนี้ก็คือต้องเดอธิบายแต่พอวันธรรมดาหรือวันอนุกพก็พูดแบบสั้นๆอ้างเหตุผลให้ผู้ฟังได้ยินพูดเรื่องเรื่องฐานบ้างเรื่องศีลบ้างเรื่องสมาธิบ้างปัญญาไม่มาก แต่องลงตานี่ท่านเทศยาวแต่ตามาเองเทศเป็นพื้นฐานสำหรับพวกเราทุกๆ ท, ท่านแต่ว่าการเป็นอยู่การอยู่ด้วยกันต้องเป็นผู้ เ, เป็นผู้มีศีลคำว่ามีศีลคำนีนะ้ในหลักของพุทธศาสนาเนะี่ยถ้าเรามองไปแล้วเหมือนกอยู่ห่างไกลจากพวกเราอย่างมากๆ แต่ตามไม่จริง ค, ค, คือความประพฤติของพวกเราเอออยู่กติดกับพวกเราเองเอ่ไม่ใช่อื่นไกลเหมือนกับกฎหมายถ้ากฎหมายถ้าจะว่าไปเนะี่ยเหมือนกับอยู่กับท่านพิพากษาท่านอายการผู้ถือกฎหมายแต่ตามให้จริงกฎหมายมันอยู่กับพี่น้องประชาชนคนในชาติทุกคนถ้าใครทําผิดก็คือผิดกฎหมายถ้าใครทําถูกก็คือถูกกฎหมายแตถ้าท่านพิพากษาทําผิดก็มี พระทำผิดขอ้อบนะีทำผิดกฎหมายคือกฎกติกาที่ตั้งออกไว้แล้วนี้ก็เหมือนกันพราะปีในของพระพุทธศาสนาหรือศีลของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้วางเอาไว้เป็นกฎกติกาเอาไว้คือศีลห้าศีลห้าของพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ท่านตรัสเอาไว้แล้วว่าศีลห้าเป็นศีลคุ้มของโลกมาตั้งแต่ดึกดนะําบรรทาย โลกยุคใดสมัยใดมีสีลห้าโลกจุคนั้นสมัยนั้นจะร่มเย็นเป็นสุขจะไม่มีพิษมีภัยอยู่ด้วยกันด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจกันถ้าว่าโลกทั้งโลกในยุคใดสมัยใดไม่มีศินโลกในยุคนั้นก็ระแวงแคลงใจกันไม่ตายใจไม่ชนิดใจเพราะว่าอดอะไรจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเพราะอะไรเพราะโลก ไม่มีศีลเพราะนั้นคาว่าศีลคำนี้เป็นศีลที่ทําให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุพราะพระเจ้าท่านประกาศและท่านบอกกล่าวไว้เลยว่าถ้าโลกยุคใดมีศีลหา้าบริสุทธิ์บริบูรณ์ทุกคนโยกโลกยุคนั้นไม่มีคุกไม่มีตราดไม่มีที่คุมขังคนบนเรือและก็ปิดอบา ย, ยบภูมิไม่ตกนรกอีกต่างหากเพราะเหตุไเพราะ คนไม่ทำำํากรรมกรรมชั่วเพรา ะ, ะนั้นสีห้าของพระพุทธเจ้านี่ถ้าจะว่าไปแล้วไม่ใช่อื่นไกลเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาในเมื่อเราไปทําให้กับเขาเขาเดือดร้อนทุกข์ใจในเมื่อเขามาทําให้กับเราเราก็เดือดร้อนทุกข์ใ่เพราะฉะนั้นให้เขาลบสิทธิ์ซึ่งกันและกันอย่าไปทําให้คนอื่นเขา ในเมื่อทําไม่ทําใหคาา้คนอื่นเขาเขาคนอื่นเขาก็ไม่ควรจะมาทําให้กระเป๋าต่างคนต่างเขารับสิทธิ์ซึ่งกันและกันถ้าคนเขารับสิทธิ์กันซึ่งกันและกันอย่างนี้ได้โลกทั้งโลกก็อยู่ด้วยกันด้วยความผาสุก อ, อ, อย่างศิ่งข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าอย่าคิดฆ่ากันถ้าพวกเราไปคิดฆ่าคนอื่นเขา คนอื่นเขาก็เดือดร้อนไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าวงสาคณันาติกขาว่าฆ่าคำนด้ใครๆก็กลัวกันทั้งหมดการถูกฆ่าจะเป็นสัตว์ที่จันช้างม้าวัวควายประเภทไหนก็ตามถ้าถูกฆ่าถูกเตะแล้วก็มันก็กลัวกันทั้งหมดถ้าเราก็เหมือนกันถ้าเราถูกฆ่าถูกเคี่ยนถูกเตะเราก็กลัวอีกเหมือนกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าการอยู่ด้วยกันถ้าหากว่าไปถูกฆ่าเขา เขาก็เดือดร้อนเท่ามาถูกฆ่าเราก็เดือดร้อนเพราะฉะนั้นอยากคิดฆ่ากันให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันอันนี้ก็คือศินข้อที่หนึ่งแต่มันทําได้ไหมทำยากไหมมันต้องยากแต่ถ้าทุกคนเห็นคุณค่าแล้วก็ไม่ยากนะถ้าจะเห็นแต่ประโยชน์ส่วนต น, น, นแล้วก็มองข้าวตัวเองใหญ่แล้วก็มองทำทำคนอื่นอันนั้นมันทําให้ขาดสินได้ถ้าทุกคน มองเห็นคนอื่นเหมืองมองเห็นเราแล้วมองเห็นเห็นคนอื่นเออแล้วก็ให้เคารพสิทธิ์กันเออนี่แหละเป็นไปได้ถ้ามองมองตอนเองไว้นะข้อที่สองอย่าคิดขโมยกันถ้าเราไปขโมยของเขาเขาก็เดือดร้อนถ้าเขามาขโมยของเราละ่ะเราก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันถ้าเราไปขโมยพ่อแม่พี่น้องของเขาเออไปเรียกค่าไถ่เขาเดือดร้อนไหมเดือดร้อนถ้าเขามาทําให้กับเราละ่ะ เราก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันเพราะนั้นให้เคารพเคารพสิทธิ<ข>์ซึ่งกันและกันการขโมยกันทำให้เขาเราเดือดร้อนข้อที่สกาเมสุมิตสายาราวรมณีสามีภรรยาลูกหลานของไข่ของเขา เ, เขาก็รักสงวนห่วงหวงแหนของเขาถ้าเราไปล่วงล้ําเขาละ่ะเขาก็เดือดร้อนถ้าเขาม า, าทำให้กับเราละ่ะเราก็เดือดร้อนเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน เพราะต่างคนก็ต่างมีสามีภรรยาลูกหลานเป็นที่รักของเขาแต่ละแต่ละคนถ้าว่าสู่ขอตามประเพณีทางโลกของเขาที่เคยทำกันมาอันนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งอันนั้นคือถูกต้องตามประเพณีขนบธรรมเนียมของโลกที่ตั้งกฎกติกากันไว้แล้วอันนี้ก็คือสินข้อที่สามข้อที่สี่มุษาวาทา ว, วรมณีอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขา ถ้าเราไป โ, โกโตโก6ต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็เดือดร้อนถ้าว่าเรามาเขามาทําให้กับเราละ่ะเราก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันจะไปโก6เขาจะไปเขียนเช็คแดงให้เขาเมันมีหลายอย่างเละเกินการต้มตุนหลอกลวงของเรื่องกองของโกหกเนี่ยมีมากมายแต่ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสเป็นพุทธภาษิตคําหนึ่งท่านตัดไว้ว่า คนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้ๆจะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีฮะอันนี้คือคำที่ตัดไว้เลยว่าคนที่ชอบโกหกทั้งที่ตัวเองโกหกก็รู้ว่าตัวเองโกหกแต่ชอบโกหกทั้งที่รู้ๆคนนั้นจะไม่ทำความชั่วอย่างอื like ่นเป็นไม่มีเพราะเหตุไรเพราะทำความชั่วขึแล้วโกหกทำความชั่วขึ้นมาล้โกหกเพราะโกหกเนี่ยมันอยู่กับคน ไม่จริงจังและไม่จริงใจคนหาความสัตย์จริงไม่ได้นี่แหละสีลข้อที่สีข้อที่หสุราเมรยะมัชะประมาดการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทสุราก็คือเหล้าเมลัยคือเบียร์คัญชายาฟินเฮโรอีนมีมากมายทุกวันนี้โคเคนถึงจะมีชื่อหรือไม่มีชื่อก็ตามถ้าเราดื่มและเสพเข้าไปแล้วขาดสติ ในเมื่อคนขาดเติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างก็เหตุไรเพราะคนขาดเจตีจะฆ่าใครก็ได้สินคอที่เดก็ขาดเพราะมันขาดเจติจะขโมยใครก็ได้เพราะมันขาดเจติจะรา่ารางประววงในสามีภรรยาของใครก็ได้เพราะขาดเจติจะโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงใครก็ได้เพราะมันขาดเติสารลุปนั่นก็คือสินคอที่ห้าเป็นสิ่เหมือนกับจิตหลังคาบ้าน หลังคาโบสลังคาวิหารหลังคาสลาดลังคาที่พักพ้าอาศัยตาบ้านหลังนี้ไม่มีหลังคานะีพวกเราอยู่ที่นี่ก็เปียกก็เดือดร้อนแดดออกอ่นี่ก็เหมือนกันคนที่ไม่มีคุณที่ขาดสินค้อที่หนะเนีแปลว่าสินข้อที่หนี่มันขาดจิตคนที่ขาดจิตคือเมื่อคนเป็นบ้าคนเป็นบ้าคือคนขาดจิตในเมื่อคนขาดจิตแล้วทําความชั่วด้วยทุกอย่างเพราะ ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักสิ่งควรไม่ชวนไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำเพราะอะไรเพราะมันขาดเตเนี่แหละถ้าเราคิดดูให้ดีแล้วศินห้าของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสว่าเป็นศินดึกดําบรรเป็นศินมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้อีกต่างหากเป็นเป็นศีลของฤาษีสีไพ่เป็นศินของเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์ผู้ทรงศินแล้วจะอยู่ในยุคใดสมัยใด การปกครองประเทศชาติก็ร่มเย็นเป็นทุ่วหน้ากันเพราะเคารพในศีลห้าอันนี้แหะคือศีลของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติเอาไว้ถ้าพวกเรานํามาพิจารณาการกรองไตรตองด้วยเหตุและผลแล้วศีลของพระพุทธเจ้าเป็นศีลที่คุปปองโลกได้จรงิงถ้าหากว่าพวกเรามีศีลห้ากันทุกคนคุกตารางไม่จําเป็นจะต้องมีแต่ที่มีคุกตารางทุกวันนี้ก็ คนที่เข้าคุกเนี่ย ถ, ถ้าถามท่านท่านพิพากษาที่นั่งต่อหน้าหลวงพ่อเนี่ยท่านก็คงจะบอกว่าเปรียบไม่สินห้าข้อใดก็ต้องข้อหนึ่งอแต่มันผิดที่ตัดสินคดีความที่มันผิดผิดกฎหมายก ฎ, กฎกติกาการอยู่ด้วยกันสรุปแล้วก็คือเรื่องศินห้าแต่เพราะหลักของพุทธศาสนาเท่นี้ท่านไม่ได้สอนเรื่องศินท่านเรื่องสอนสมาธิเข้าไปด้วยเท่นี้ สมาธิคือทำจิตใจให้มั่นคงจิตใจให้แน่วแน่จิตใจไม่ให้วอกแวกคลนแคลนคลอใคว่าในตัวของเราเนในตัวของมนุษย์ในตัวของแต่ละคนแต่ละท่า น, นมีอยู่สองอย่างรูปธรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจแต่ทางโลกทั้งหลายเขามองเพ่งไปในทางรูปธรรมซะมากกว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้ศึกษาไม่เรียนรู้ไม่ได้ตรวจตรา ดูตัวนามธรรมแต่ละของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาที่ท่านออกจากเพียงวังในครั้งกันนู้นนะพระพุทธเจ้าของเราอายุเพียงพระชนพระชนปันอายุของท่าน29ปีออกจากเพียงวังออกไปค้นคว้าศึกษาเนี่ยเรื่อง เ, อเรื่องสมาธิรูปธรรมนามธรรม พระ อ, องค์ไปศึกษาอยู่เป็นเวลาทั้งหปีไปท ร, ทรงพนุนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ามโนมาณทีหนีขโมยออกจากเวียงวังจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้ไปบปําเพ็ญตามลำพังของพระ อ, องค์ศึกษาค้นคว้าลองผิดลองถูกก็เหมือนกับนักฟิสิกส์ศาสตร์ไปค้นคว้าศึกษาหาสิ่งที่ตั ว, ต ว, ตวเองต้องการแต่นี่พระ อ, องค์ค้นคว้าศึกษาว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญ เป็นอย่างไรตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดใช่ไหมหรือตายแล้วสูญอันไหนที่ว่าคนสมัยนั้นเขาว่าตายแล้วสูญนรกสวรรค์มีจริงทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแต่บางคนก็ว่าทําดีไม่ได้ทําดีไม่ได้ดีทดําชั่วไม่ได้ชั่วตายแล้วดับไปเลยนี่พระพุทธองค์ก่อนหนี่เป็นเรื่องใหญ่ในยุคสมัยนั้นหรือสมัยนี้ดังนั้นพระองค์ก็ไปค้นคว้าศึกษาเป็นเวลาทั้งหปีแต่สูตรสําเร็จทุวันสําเร็จของพระพุทธเจ้าเนี่ยวันเดือนหกเพน ในวันนั้นพระองค์ไปค้นคว้าศึกษาอยู่เป็นนั่งอยู่ที่เมืองพุทธกายาประเทศอินเดียจากนั้นพระองค์ไปนั่งทําเรที่นั่นนั่งภาวนานั่งปฏิบัติที่นั่นแต่ก่อนที่ท่านจะได้ตรัสรู้ท่านก็ได้ไปศึกษาเดี่ยวเดินในละแวกนั้นเหมือนกันอย่างพวกเราท่านทั้งหลายไปค้นคว้าศึกษ า, าทัศนศึกษาท่านก็ไปศึกษากัฎาบทที่อยู่ในละแวกนั้น ดาบดก็สอนวิชาให้แต่ทําไม่ไม่ไม่จ ไ, ไ, ไ, ไม่ใช่ไม่จบท่านยังคลองใจอยู่ได้แต่สมาธินะดาราดาบดไปหาอุตตรกาดบด ท, ท่านก็สอนวิชาอกีกแนวหนึ่งอีกท่านก็ได้แต่ฌานคือคือเรื่องสมาธิความนึกคิดความเข้าฌานหรือความสมาธิของท่านนิ่งยังไม่เป็นที่พอใจออจากนั้นพระ อ, องค์ออกมาปฏิบัติตามลําพังนะ ในวันเดือนหกเพนที่ท่านได้ตัดรู้ในวันนั้นพระองค์ทําอย่างไรพระองค์นั่งที่โคลนต้นโพในอย่างไม่วันนั้นวันเดือนหกเพนอยังไม่ค่ําพระอาทิตย์ยังไม่อัจดงิและยังไม่ตกดินนายโสธิยะได้นําญ้าคาไปเกี่ยวไปตัดหญ้าคาในละแวกนั้นเดินผ่านมาเห็นท่านสิทธัตถะนั่งอยู่ตามลําพังก็คิดว่าองค์พระองค์คงไม่สบายในเมื่อนั่ง อยู่โคลนต้นโพ ร, รากมันลอยขึ้นมาตะปุ่มแต่ปังปั่มลากโพมันแก่ถ้าโคตบ่มถ้าต้นโพแก่พวกเราทั้งหลายจะไปเห็นมันลอยขึ้นมานะในสิทธะท่านโสติยะไปยากาแถวนั้นก็เลยเห็นศิทธะนั่งอยู่ตามลำพังก็เลยมอบยากาให้8กำมือข้างและสี่กำมือท่านศิทธะได้ยากา8กำมือแล้วก็ลากยาคาไปหาหมุมนั่งสมาธิ หาหมุมสงบท่านก็ไปเห็นได้ ม, ม, มุมทางทิศตะวันออกของต้นโพจากนั้นท่านก็เกลีย่ยหญ้าขา4ี่กำมือเอาหางประสานกันจากนั้นเป็นอาสนะพระ อ, องค์ก็ขึ้นไปนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งพอรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดยานรัตเกิดญาณรัตธนะเกิดฌานเกิดความรู้พิเศษขึ้นมา พระ อ, องค์ละลึกชาต์ทวนหลังได้เนียยว่าปุบเพรนิวาสานุตจติยานละลึกชาติทวนหลังได้เนี่แหละหลักของพุทธศาสนาเนี่ยพวกเราให้รู้ให้ศึกษาว่าตายแล้วไม่สู่ตายแล้วเกิดอีกแน่นอนสิ่งที่ให้เกิดนั่นคือเมื่อใจพระ อ, องค์รวมสงบลงไปแล้วละลึกชาติของพระ อ, องค์ว่าชาติที่แล้วเรามาจากไหนเนี่ยเพื่อจิตเน่งจิตสงบแล้วพระ อ, องค์ละลึกชาต์ทวนหลังได้ว่าปุบเพรนิว่าสานุตจติจติยาน พอถึงเที่ยงคืนพระองค์มองออกไปข้างนอกมองดูสรพสัตหรือว่ามองดูผู้คนทั้งหลายมองจากมองจากดวงวิญญาณทั้งหลายในสรพสัตว์ทั้งหลายพระองค์มองดูแล้วว่าจุตูปปาตยานการเกิดการตายของสรพสัตทั้งหลายพระองค์มองดูแล้วว่าสรพสัตทั้งหลายเกิดมาจากไหนแล้วจะไปอย่างไงตายแล้วจะไปที่ไหนแล้วมาเกิดมาจากที่ไหนมาเกิดที่นีพ่พระองค์ก็มองดู แล้วจากนั้นมองไปถึงว่าทำไมเกิดมาแล้วไม่เหมือนกันหลักของพุทธศาสนาท่านมองไปแล้วท่านบอกว่ากรรมเป็นผู้จำแนกให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วไม่เหมือนกันแกรรมเป็นผู้จำแนกกรรมคืออะไรกรรมคือการกระทาถ้าคิดดีทำดีพูดดีกรรมดีจะให้ผลถ้าคิดชั่วทาชั่วพูดชั่ว คำชั่วจะให้ผลในเมื่อเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วคำชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังท่านจึงยกเป็นพุทธภาษิตว่าอกตังลุกกตังเซยโยปัจชาตปติลุกกตังคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำเสเลดีกว่าเมื่อเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วหลกไปแล้วคำชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง นี่หละหนีกรรมหนีไม่ไดใ้ใครจะรู้จะเห็นมันจะให้ผลต่างกรรมต่างเวละมากน้อยอย่างไรแค่ไหนพระพุทธเจ้าว่าไม่ไม่อยากทำความชั่วดีกว่านี่แหละอันนี้ก็คือถึงตอนเที่ยงคืนพอจวนสว่างพระองค์ก็ได้ตัดรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณสรุปแล้วในวันเดือนหกเพนพระองค์ได้ตัดรู้ปุพเพดนวารานุตติญาณละลึกชาติทวนล้างได้ พอถึงเที่ยงคืนจูตูปะปาตยานดูสัพรพสัตต์ทั้งหลายการเกิดการตายของสัพพสัตต์ทั้งหลายพอจวนสว่างอาสาวะขยะยานยานอย่างรู้ว่าพระองค์ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากพระทัยขององค์แล้วอันนี้แหละคือญาณรัตนะที่ได้ตรัสรู้ในวันเดือหนหกเพลนจะได้มาพูดถึงพวกเราท่านทั้งหลายจะนำบทบไหนที่มามาปฏิบัติมาพิจารณา แต่โดยมากในหลวงพอ่อกําลังพูดนี่ศึกษามาแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาร์หลวงปูเงป่เทศหลวงตามหาพวกลุงปู่ฟั่นหลวงปูงป่ขาพระ ก, กรรมฐานสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านสอนว่าพวกเราให้ปฏิบัติตามแนวแถวของพุทธะให้พระองค์นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้า รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกนั้นให้ถือเสมือนว่าเร า, ายือนอยู่ข้างประตูเวลาคนเข้ามาศาลาหลังนี้เราก็รู้ว่าคนเข้าเวลาคนเดินออกไปเราก็รู้ว่าคนออกไม่ต้องเดินตามคนออกไปและไม่ต้องตามคนเข้ามาในท้องในเข้ามาศาลาคือไม่ต้องตามลมเข้าไปในท้องในปอด ให้รู้ว่าลมผ่านเข้าไปรู้ว่าลมเข้าลมผ่านออกไปรู้ว่าลมออกเพราะลมถ้าหากว่าเรายังหายใจอยู่เราก็ต้องรู้ว่าลมเข้าและลมออกให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นอันนี้ก็คือหลวงปู่มันแต่ท่านก็บอกว่าถ้าว่าเรากําหนดอย่างที่พระพุทธเจ้ากําหนดนั้นมันเผลอได้ง่ายมันหลงมันลืมได้ง่ายให้บริกรรมสำทพกับพุทโธด้วยนะหายใจเข้าบริกรรมพุท หายใจออกบริกรรมโถพุโทโพุโทโถถ้ามันยังเผลอมันยังตะเลาะไหลมันยังออกอยู่ยังแสวบออกไปอยู่ให้บริกรรมทีๆพุโทโพุโทธโพุโทโพุโทโถสาทับกับตัวที่นึกคิดรู้สึกนึกคิดนั้นแต่ถ้ามันยังไม่อยู่อีกอหลวงพ่อก็เลยบอกเออสำหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อเคยปฏิบัติมามันเห็นได้เร็วนะ เวลาหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองสามสี่ห้าจนถึงร้อยถ้าไม่เผลอกลับมาหนึ่งหมมันจะเผลอเผลอยังไงเวลานับนับหายใจหนึ่งนับหนึ่งคือเหมือนเลขขี้สองหายใจออกสองคู่ขี้คู่ขี้คู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแปดเก้าสิบมันจะขี้คู่ขี่คู่ไปถึงสิบนับไปถึงร้อย ถ้ามันจะเผลอเนี่ยมันจะเบลอเบอร์ซะก่อนอพอจะหายใจเข้ามันจะเป็นสิบสองหายใจออกเป็นสิบสามแสดงว่ามันขาดสติแล้วในช่วงนั้นมันหายใจเป็นเลขขี้หายใจออกเป็นเลขคู่แปลว่าเราเราต้องกลับใหม่เอากลับมานับหนึ่งใหม่ให้ตั้งต้นใหม่ในรูปวิธีการฝึกหัดสติถ้าพวกเราทาได้อย่างนี้น่ต่อไปมันเป็นผลประโยชน์สาหรับตนเอง อันไซเมอร์จะไม่เข้ามาเยือนพวกเราฝึกหัดสติให้อยู่กับตนเองถ้าพวกเราสติเลือนลางพอ ก, กําหนดไม่ถึงห้าถึงสิบนะเผลอเอาเผลอเอาอย่าไปชะล่าใจนะอันไซเมอร์จะเข้ามาเยือนพวกเราได้ไง่ายๆเพราะฉะนั้นฝึกหัดสติใครจะเป็นคนฝึกละ่ะพวกเราตนเองเป็นคนฝึกให้ตนเองเพราะฉะนั้นพวกเราทานอาหาร ใครทานแทนเราก็ไม่ได้อหายใจแทนเราก็ไม่ได้มันมีหลายอย่างที่เราที่คนอื่นแทนเราไม่ได้คนอื่นเรียนหนังสือแทนเราไม่ได้แล้วควคนอื่นปฏิบัติจิตตภาวนาแทนเราไม่ได้พวกเราต้อ ง, ต, อ ง, ต, องต้องทําเองฮะเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกท่านเมื่อเราภาวนาแล้วทีนี้จิตใจของเราจะรวมสงบลงเป็นหนึ่งเป็นเน่งพอเน่งเข้ามามาแล้ว เราจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าข้าพเจ้าจิตใจของข้าพเจ้ารวมเป็นหนึ่งกายกับใจใจกับกายเราจะเห็นได้ชัดเลยทีนี้ความรู้สึกนึกคิดคือใจคือตัวผู้รู้คือนามมะธรรมนะแต่ร่างกายของเราเนี่ยคือรูปร่างกลางตัวตาหูจมูกเล่นกายอันนี้เรียกว่ารูปประธรรมรูปประธรรมและนามะธรรมอาศัยกันอยู่ในตัวของเราเองแต่หลักของพุทธศาสนาให้ท่านท่านให้ความสาคัญเรื่องนามมะธรรม มากกว่ารู ป, ปธรรมท่านจึงยกเป็นทุตพุทธภาษิตว่ามโนปุพังขมาธรร ม, มามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจใจคืออะไรคือตัวนาําตัวนามรธรรมตัวรู้สึกนึกคิดตัวรู้สึกนึกคิดนั่นแหะบังคับให้ร่างกายไปในสถานที่ต่างๆหลวงพ่อกล่าวอียยบเทีบว่าร่างกายเหมือนกับรถ จิตใจเหมือนกับคนขับรถตัวนมามธรรมตัวผู้รู้นะ่ะเหมือนกับคนขับรถจะบังคับให้รถไปในทิศทั้งสี่จะไปเนชนะสถาน ท, านที่ใดที่รถจะไปได้แต่มันก็ไปสู่จุดหมายปลายทางแต่บางคนมากกว่านั้นบังคับให้กระโดดเถียวมัดคอตัวเองตายอย่างนี้คือสรุปแล้วก็คือตัวผู้รู้นั่นแหละตัวนมามธรรมตัวนั้นแะ่ะมันโมโหโกธานะี่ยทร้ายทำายทาลายรถตัวเอง น, ะนี่แหละ อันนี้ก็คือหลักของพุทธศาสนาที่ท่านให้ดูดูกายกับใจใจ ก, ก, กับกายมากกว่านั้นท่านก็ให้พิจารณาถึงร่างกายว่าเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอีกสักวันหนึ่งร่างกายนี่ต้องแตกตาตายสลายลงลงสู่ดินน้ำโผล่ลมไฟในร่างกายของเรามีธาตุสี่ธาตุดินคือกระดกูกธาตุน้ำคื อ, ค, อคือพวกเลือดพวกน้ะะําปัตสาวะเน่ยธาตุน้ําธาตุลมก็ลมหายใจเข้าหายใจออกธาตุไฟคือทําให้ร่างกายอบอุ่น ถ้าทุกคนไม่มีธาตุไฟมันก็เผาอาหารให้ย่อยไม่ได้นี่แหละอันนี้คือสรุปแล้วก็คือในร่างกายของเรามีธาตุสี่อแต่ว่ามีตัวนมามธรรมเข้ามาควบคุมเหมือนกับโซเฟอร์รถเข้ามาควบคุมแต่อีกสักวันหนึ่งรถคันนี้ต้องหมดสภาพ อ, อต้องหมดสภาพของมันอายุของมันเท่าไหร่ถ้ารถเป็นรถของเราใช้งานกับสิบยี่สิบปีก็เต็มทนแล้วแต่นี่พวกเราบางคนก็ เป็นห้าหสิบปดสิบเก้าสิบปีแต่ถึงยังไงก็ถ้าร้อยปีขึ้นไปแล้วก็หมดสภาพรถคันนี้จะต้องได้ทิ้งแต่เมื่อทิ้งรถคันนี้แล้วรถคันนี้หมดสภาพแต่ว่าตัวนามธรรมตัวผู้รู้นะที่ว่ามโนปุพังคำนั้ น, นโซฟ่รรถเนี่ยจะต้องออกจากร่างกายนี้ออกจากร่างกายออกจากรถคันนี้ไป ไปซื้อรถคันใหม่ไปหารถคันใหม่แล้วว่าปฏิสนธิไปเกิดในพบภูมิต่างๆถ้าโซเฟอร์คนนี้เมื่อยังมีชีวิตอยู่ประกอบแต่คุณงามความดีสร้างแต่คุณงามความดีคิดดีทดําดีพูดดีบุญกุศลก็จะเข้าสู่จิตใจเหมือนกับคนการแ ส, สวงหาเงินเข้าสู่กระเป๋าของตอนเองอยู่ตลอดแต่หาว่าโซเฟอร์คนนี้อยู่ในรถคันนี้คิดชั่วทําชั่วพูดชั่วสิ่งที่มันชั่วขนเข้ามาหาตนเอง ทั้งสุราณารีพาชีกีลาบัตอะไรก็ตามที่มันชั่วขนเข้ามาคนนั้นโซเฟอร์คนนั้นเมื่อตายไปแล้วไม่มีคุณงามความดีอ อ, ออกจากภพนิชินี้อาจจะไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่เป็นช้างม้าบัวควายเป็นได้ทั้งนั้นเพราะอรเพราะดวงวิญญาณไม่มีความดีไม่มีบุญไม่มีกุศล น, นี่แหละหลักของพุทธศาสนาท่านสอนอย่างนี้นะ พวกเราคณะสัต ย, ยาธิโยมให้นําไปคิดนําไปพิจารณาดูจากนั้นก็สามารถที่จะนํามาพิจารณาการกรองไตรตองที่สามารถตัดกิเลสราคะโทสะโมหะได้ทําให้จิตใจดวงนี้ทําไมใจตรงนี้จึงเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีประมาณไม่มีที่สิ้นสุดเพราะกิเลสราคะโทสะโมหะอันนี้ต้องศึกษาในรายละเอียดยนะเนี่ยวิปัสสนาในเมื่อเราชําระ พระไทยใจของเราและอย่างพระพุทธเจ้าได้ได้ตัดรู้ขั้นสุดท้ายแต่ ว, ว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ได้ใช้ตประธรรมคือศีลสมาธิปัญญาชําระพระไทยของพระองค์ตัดกิเลสในพระไทยคือกิเลสกิเลสราคะโทสะโมหะเมื่อหมดกิเลสแล้วพระองค์ก็ได้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนี้ก็เหมือนกันอะพวกเราถ้าชําระกิเลสในใจของเรารู้แจ้งเห็นจริงแล้ว ใจของเราก็เป็นจิตใจที่บริสุทธิ์จิตใจที่ไม่มาเวียนไหวตายเกิดที่สิ่งที่จะทําให้เกิดนั่นคืออะไรท่านบอกว่าเชื้อคือกิเลสราคะโทสะเหมือนกับท่านเปรียบเทียบกับเหมือนเมล็ดข้าวทาเมล็ดข้าวมันถ้ามันสมบูรณ์ถ้ามีเปลือกอยู่เอาไปปลูกไปเพาะที่ไหนมันก็เกิดแต่ถ้าเราไปกระเทาะเปลือกมันออกซะเอาไปนึ่งซะให้มันสุกด้วยไฟจากนั้นเอาไปปลูกที่ไหนมันก็ไม่เกิดท่านเทว่า นิพพานังปรามังสุญยงศูนย์นยเชื้อเชื้อคือกิเลสนิพพานังปรามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งในไ ม, ไ ม, ไ ม, เมน่เมื่อจิตใจดวงนั้นไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะเข้ามารบ ก, กวนจิตใจดวงนั้นก็บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามีที่สิ้นสุดนะถ้าพวกเราปฏิบัติถึงที่ถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะ วันนี้ได้พูดได้แนะแนวหรือได้กล่าวออให้พวกออท่านออพิ่ฝากสาสารุทธรมาจากกรุงเทพมหานครและคณะสงฆ์มาจากจังหวัดน้องขายคณะสัทธาญาติโยมให้ฟังเพื่อเป็นการศึกษาในหลักของพุทธศาสนาที่อาตมาภาพบวชมาทั้งทีชีวิตนะออทั้งทีชีวิตยังไงหลวงพ่อบวชมาตั้งแต่เป็นสา ม, มเณรนะเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ล่า เป็นอายุ 11-12 ปีปีนี้อายุ73าปีแล้วนะคณะทายาทโยมนะฝังชีวิตไว้ตั้งแต่ปี 2,500 นอะยบวดเป็นสั ม, มนเนณจดพึ้งปานนี้แหละ2อ6 0อเป็นเวลาหลายปีทีเดียวถึง61ปีนะพูดง่ายฝังชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นหลวงพ่อเองเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะตายแล้วเกิดแน่นอน ไม่สูญตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะนั้นจึงได้มากล่าวมาแนะนำสั่งสอนให้พวกน้องๆลูกๆ ล, ล้านๆได้ยินได้ฟังนะการกล่าวสมโธทนิจกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนารไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้มาคุ้มครอง